ฉันทมิยังอัสัาติกาป ะ, ะปาปังภนะนาม า, าเตอานาติตาเทวะมะณีเจสนาเป็นเครื่องเว้นจากก า, าราอาจินนาธานาเวรมะนีเจตนาเป็งเครื่องเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ไม่แล้ว อาพรหมจรียาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากทานกระทั่อันไม่ได้พรหมจรรย์มุทาวาธาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดไม่จริงตูงาราเมรยามาจัาาสมาราภานาเวรมณี เยธนาเป็นเครื่องเว้นจากกรารหลุกภรและไรกานเป็นที่ตังของความสมัติภิกาทัลายจนาเวราเมณีเทศนาเป็นเครื่องเว้นจากการขอรีบโขอาหารในเวลาวิกาณ แม่จะที่ทาวที่ท้าวทส่สุขสัสตนาราขันธ์ทิเลี้ยณนากทาทนาแม่ที่สุขสันต์นาราเวรมันีเจธานาเป็นเครื่องเรีนจากการพอนการัาเพ่านุนตรีการดูการเล่นชนิดเป็นขาสิทธิ์หุน การสะสมสวมใส่การระดับการตกแต่งต้นด้วยพวงมาลาด้วยเครื่องเขีนและเครื่องประทาบโอชานสยานามาฮะสยาน า, น า, น า, นาเวรมานเจธนาเป็นเครื่องเว้นจากการนั่ง น, นอนบนที่นอนสูงและที่นอนใหญ่